ทำต่ออัน <c oughs> นี้ก็เป็นวันดับเดือนพฤษภาคมแน่นบ้างนะเป็นขึ้นเปิดเข้ามาะ ขึ้นแปดค่าเดือนเจ็ดเลยหร่แหลหนี่หแหลมแปดค่ำจำบาราระหว่างนี้นับถอยหลังไปสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าปีบุตองยังอยู่ในสีมหาโพธิ์ ถ้าเป็นสปราที่สองอย่างรัตนจงกรมข้าต้นสีมหาโพโพที่บันหลังจงกรมอยู่ที่นั่นสิบเก้าเก้ากับทรายกับขวานอดี วันอาทิตย์สามจึงวันนี้นมิตรนกีดีออกไปยืนมองต้นฉีมาโพจ้องไม่กระพิบตาเราก็ให้วันโน้นสองพัน้อยห้าสิบเก้าสิบเก้าปีเป็นวันนี้ของเราตามรอยรู ทำในใจให้สัมผัสการเดินจงกรมเป็นอย่าง่ะสิบก้าวข้ากลับไปกลับมาไยเีหัวทีนั่นก็เป็นวันนี้ของเรารวามรูม้สึกตัวไปทุกก้าวที่พระ อ, องค์ได้จงกรม ลำดับลำนำเป็นทางที่ทำให้เกิดการลู่ตื่นขึ้นมาตื่นได้ลู่ได้จากการกำหนดจากการประกอบจนถึงฤทธิ์จัดเลู่ลำดับทบทวนดูแล้วกับเส้นทางที่ทำแบบไหนให้มัน รู้สึกตัวจะเป็นอย่างไรก็ตามเดินเดินนั่งนอนหายใจคู่เหยื่เคลื่อนไหวเป็นอันเดียวทั้งหมดเรียกว่าสติเห็นกายเห็นจิตก็เป็นอันเดียวหมดเห็นความไม่เที่ยงก็เป็นอันเดียวที่เกิดกับกายเกิดจิตเห็นความเป็นทุกข์เป็นอันเดียวที่เกิดกายกับกิต มีสติอันเดียวที่เขาไปเป็นตัวเฉลยให้รู้สักตัวที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็เห็นมันกันเห็นทุก <c oughs> ก็ไม่ใช่เป็นสุขเห็นสุข ก, ก็ไม่ใช่เรื่องทุกแต่ต้องกันข้ามเห็นทุกก็ไม่เป็นทุกเห็น สุขก็ไม่เป็นสุขมั น, นคนละแบบทุกเป็นทุกเป็นอีกแบบหนึ่งทุกเป็นไม่ทุกเป็นอีกแบบหนึ่งทบทวนดูอะไรที่บันเทิงได้ในหลักดัถนเห็นรูปเห็นนามรูปทานามทาเห็นกายเห็นจิต ลูกมีสิ่งที่ตั้งอยู่ในลูกนี่มีตามีหูมีจมูกเดินมีกายนี่เรียกว่าลูกมหาภูติลูกเป็นวัตถุเป็นอาการที่เกิดขึ้นตรงนี้นามคือมันลู่อะไรได้คือจิตใจที่มันลู่อะไรได้เกี่ยวกับมันอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร ก็เป็นตัวสติเป็นตัวเฉลยไปเกี่ยวข้องทุกกรณีอะไรที่มันไม่ใช่ตัวลู้ให้เป็นตัวลู้ได้ทั้งหมดมันก็มีอยู่ในชีวิตเราทุกคนจะโลดแก้เห็นจริงเห็นสมุติบัญญัติไม่ให้คุณค่าแต่ละเมสัจจะกระดอนขึ้นไป กระดดเลยทีแรกก็ปฏิบัติพอก็ถึงปรมัดมันเป็นไปเองในภาวะที่หลงไม่หลงเองในภาวะที่ทุกข์ไม่ทุกข์เองในภาวะที่กโกรธไม่โกรธเองถ้าถึงปรมัตเมืนประตูไปติดเหมือนเป็นอัตโนมัติเหมือนเครื่องสุบน้ำสมมติอยู่ในใต้ดิน อยู่ใต้ดินมีลูกรอยเป็นตัวกำหนดถ้าน้ำแห้งลูก้อยมันเดียงลงไปเอกทางเหนื่มก็ไปถูกสวิตไปมันก็เป็นเครื่องสูบน้ำก็ติดขึ้นมาถ้าน้ำมันเต็มลูก้อยมันก็ถอนขึ้นมาอีกมุมหนึ่งก็ไม่ มันก็หลุดออกจากสวิตมันก็หยุดวิ่งเรียกว่าอัตโนมัติวัตถุสิ่งของเป็นอัตโนมัติเ่าสร้างขึ้นมาชีวิตของเราเนี่ยเมื่อมันถึงประมัดมันก็เป็นอัตโนมั ต, ติแต่เห็นรูปเห็นนามเนี่ยยังเปลี่ยนอยู่ยังเปลี่ยนอยู่ยังมีสติ ยังเกี่ยวข้องใหม่ๆก็กลับมามันหลงก็กลับมามีกำหนดที่ตั้งมันฉุขันทุกข์มีอยู่แต่ไม่เฉื่เป็นตัวเฉลยเป็นตัวยิงเหมือนอาพุทธในฐานคือรูปพื้นนาม เป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นสมจะเป็นสมอภูมิเป็นชัยภูมความรู้สึกตัวเป็นกำลังพลความหลงทั้งร้อยเป็นข้าศึก ก, กำลังพล น, น้อยๆปราบข้าศึกได้มากเหตุที่เกิดจากความหลงไปถึงความเกิดแจ็เจ็บตาย นักกระทบกระเทือนไปได้เห็นรูปเห็นนามตามกวาเป็นจริงจะทำลายข้าเชือกใหญ่ๆที่เป็นของห ย, ยาบๆความโลกความโกรธความหลงลงได้บางหรือเบาบางหรือจืดจางไปแต่ยังมีอนุสัย อีกมากจนถึงปรมาทิตย์รเรื่าแม่นทุกทีเข้าใจเรื่องปรมาทิตย์วัตถุอาการต่างๆนั้นเกิดที่เดียวเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแค่ก็แค่เหมือนกันหมดไม่มีคำว่าทําไมทําไมทําไมทำเป็นเป็นอย่างไรทําไมจึงเป็นอย่างนั่นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ ไม่มีเลยมีแต่ชัดเจนแม่นยำทุกทีแม่นทุกทีหลงที่ดรู้ทุกทีไม่เนิ่นช้าทุกที่ดรู้ทุกทีไม่เนิ่นช้าหให้มันเป็นกานเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เรียนลูเรียนลูกมันเป็นอันหนึ่ง รู้รู้อยู่ทุกไม่ดีโกรธไม่ดีรู้อยู่แต่ยังโกรธยังทุ ก, กนั่นเป็นความรู้แบบหนึ่งแต่ทำให้บรรเป็นเนี่ยนั้นไม่ต้องไปรู้แบบนั้นมันเป็นอัตโนมัติไม่ถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความทุกไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้อง เป็นไปอย่างนั้นหรือว่ามันเป็นนันไม่มันมีเพื่อไม่มีอะไรก็เพื่อไม่มีเพื่อไม่เป็นทุกข์เห็นทุกข์กกมันเหมือนกับเหมือนกับเที่งก้อนขวดใส่ฝาผนัง แม้มันมีอยู่มันสัมผัสอยู่ทุกเหมือนที่งก้อนขวดใส่ฝาผนังก้อนขวดก็ตกลงที่นั่นถ้าทุกเป็นทุกเหมือนเท่ดงดินเหนียวใส่ฝาผนังดินเหนียวก็ติดที่ฝานั่นนี่เรียกว่า หลุดหัดตนโสนตนจนมันเป็นไปเองจักจธว่านั่นละ่ะเราไมต้องไปพูดว่ากายจัจธรรากายเวทนาจักตธว่าเวทนาจิตจักว่าจิตจักธรรมจักว่าธรรมคือมันระหว่างสัมผัสสุขทุกข์นี่แหละทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ย มันก็สักแต่ว่าแล้วไม่เพกคำพูดเลยไม่ต้องพิจารณาแวบบเดียว <c oughs> แว บ, บเดียวแล้วทุกเป็นทุกไม่ใช่แว บ, บเดียว <c oughs> เหมือนกับ <c oughs> ปอยกระเด็นถูกข้าเรา ยังถามหาคนที่ทำให้ไฟตกมาใสข่ขาเราจนถามหาคนที่ทำให้ตกจะลู่เสียก่อนจงมาปัดไฟออกอันนั้นคือว่าทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทาไมจึงกิบไม่ได้ทำไมจึงนอนไม่หลับมันเจ็บไปแล้วจึงมันก็ยังไม่ มันยังมีรอยสุขจะมีลอยทุกข์เหมือนกับไฟตกใส่ขาไม่รีบปัดออกก็เป็นรอยเพ่เป็นแพ้แห่งความสุขแพ่แห่งความทุกข์เพแห่งความรัความชังมันมีเพราะเหตุที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธการมีสติการปฏิบัติมันช่วยให้เร็วไวขึ้นมา ถ้าไปก็ไปไม่ไกลถ้าเป็นโจรผู้ไร่ก็รักไปเพียงเรื่มมือเดียวเอากลับมาได้จนมันเอาไม่ได้เรืมหลงมือนขอโมยขโมยเอาความไม่หลงไปมันต้งกันข้ามเพราะมันเคยเคยเคยใช่ก็ใช่จิตเคยใช่ตาใช่หู เค ใ, ใช่จะหมกเลียนกายใจมันใช้ใ ห, หลุ่มก็มาให้หัดมันใหม่มันก็ยังเคยใช่ก็ยังจะใช่อยู่สุข ก, ก็ให้เป็นสุขอยู่ทุกข์ก็ให้เป็นทุกข์อยู่เรามาหัดตน้นสอนตนจุกให้มันเป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์สุขให้เป็นลู่ทุกข์ให้เป็นลู่ ก็รู้ว่าไม่ไปไกันมันไหวขึ้นถึงเกิดสุขเป็นสุขมันไปแล้วหมดเดี่ยวทดลองไม่ได้ทดลองกับสุขทดลองกับทุกข์ไม่ได้จริงเหล่านี่ไม่ใช่ทดลองถ้าสุขเป็นสุขมันก็สุขไปเสร็จแล้วเอาคืนมาได้ทุกข์เป็นทุกข์ก็เอาคืนมาได้ เหมือนร่างกายของเราจะทดลองไม่ได้ตัดนิ้วมือก็ขาดไปเลยตัด เ, น เ, นเขนแขนก็ขาดไปเลยไม่ใช่เรื่องทดลองฉุกทุกไม่ใช่เรื่องทดลองถ้าเราเป็นภาพปฏิบัติได้ไวสักหน่อยเแล้วกำมันก็ทําได้ทันทีทันใด ศักดสิธมาเถอะอะไรจะมามาอย่างไงก็จะลู่มันละให้มันพ้นจากปัญหาต่างๆให้ถึงปัญญามาหลงเป็นลู่มาโศกเป็นลู่มาทุกข์เป็นลู่มาผิดเป็นลูเมื่อถูกเป็นลู่มายากเป็นลู่มาง่ายเป็นลู่มาสงบเป็นลู่มาพุ่งสานเป็นลู่ตลอดตั้งความมุงเอาหัวนอนราเลิงสงสัยให้มาเป็นความลู่ทั้งหมด สิ่งที่ช่วยได้ก็คือกรรมฐานรูปแบบกรรมฐานที่ตั้งคือการกระทํามีพ่อมแล้วรู้เสดเข้ารู้กสกเยียนเขินออกรู้ซึกเรื่องจงกรมก็ไปก็มารู้ซึ ก, กมี่บทบทเรียนบทฝึกหัดสนามฝึกเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตาําราเอาสติเป็นนักศึกษาให้มันชํนชนานิชํานาญ ต้องลำดับลํานําเพอชงความที่จะติดมันละโท่หนังสือเราท่หนังสือนี่ทิ้งไว้ไม่ลําดับมันก็ลืยไปทั้งต้นหม่อยมันก็ไม่ติดมันไม่ง่ายมันก็เลยเป็นด้านไปเลยบางทีนะท่องหนังสือก็ไม่ได้เอาไปมันก็เอายากไปเลยหาว่าจะยังด้านหาว่ายังเรียนไม่ได้ บึกดนาะไม่ใช่ที่เจียงตัวยังไม่ลำนาแต้วลำดับํำนํำเป็นไปได้ทุกชีวิตนะใ จ, ใจโดยเฉพาะการจริญสตินี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างอื่นมากมายมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าอย่างอื่นสะดวกกว่าจริงอื่นทั้นอื่นต้องมีวัตถุกำหนดให้เห็นให้มือได้ทำ แต่ความรู้ความหลงไม่ได้ทำด้วยอะไรนิ่งๆก็ได้นอนอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้นอนเดินอะไรก็ได้โดยเพราะเรื่องจิตใจเนี่ยมันมันสะดวกต่อไปกําหนดอะไรให้มันรู้เนี่ยมันสะดวกแม้มันรวมอยู่ที่ใจตาก็มันรวมอยู่ที่ใจหูก็มัรวมที่ใจจมูกดิน้น ตายก็มารวมอยู่ที่ใจลงอยู่ที่ใจเว้นที่ลงของสิ่งต่างๆพอใจไม่พอใจมาอยู่ที่ใจอันพอใจไม่พอใจก็เอาใจนั่นแหละแค่ไขมันเองในตัวมันเองไม่ได้เกี่ยวกับสินงเกินน่า จ, จะสะดวก ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มันทันใจมันไม่รีลับหลงก็หลงจริงจริงมาสู่ที่ใจจริงๆก็เปลี่ยนอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่เอา อ, อื่นมาเปลี่ยนว่าใช่ตามันเห็นเราจะหลับตาไม่ต้องไปใช่ตามันไม่ใช่เปลี่ยนที่ใจไปเลยมีสติเป็นเครื่องมือ มันจึงสะดวกปฏิบัติธรรมเนะนี่ยแม้มาเกิดอะไรหลายอย่างหรือปัญหาต่างๆิเลตพันห้าตันหาร้อยแปดั้นก็มาอยู่ที่ใจเนะี่ยเลยมันเป็นใหญ่ใหญ่แบบป่าเถื่อนก็มนะีถ้าไม่หัด ่ตสติเป็นใหญ่ให้สติเป็นใหญ่หัดให้สติมาใช้จิตใจให้หัดให้สติมาใช่ก่อยเรจึงก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดให้มีสติมีความรู้สึกมีความรึกได้หัดอันนี้ระหว่างฝึกหัดหัดยกมือหัดเดินหัดหายใจหัดอะไรต่างๆรี่บุต อย่างหยบอย่างจาบก็คู่เหยื่อเคลื่อนไหวอย่างกลางก็คือหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดก็คือความคิดหัดกายก่อน <c oughs> กายมนันเมื่อหัดกายมันท่งแข้วดีมาใช้กับจิตมันก็ง่ายาได้ไปเอาจิดเลยอัทีก็ ก็อาจจะยากบางทีไปห้ามไม่ใ ห, มมหม้มันคิดก็มีแต่ห้ามไม่คิดมันก็คิดถ้าไม่คิดก็คิดกา่ความคิดไม่ได้ห้ามถ้ามีสติมันจะเห็นเห็นคิด ตัวคิดนี่แหละที่ทำให้เราได้เห็นธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเกิดจากความคิดความสุขความทุกข์เกิดจาก ค, ความคิดความรักความชั่งเกิดจากความคิดที่เละตัิหาเกิดจากความคิดถ้าเราไม่มีสติมันก็ปล่เอเถื่อนไปแบบนั้นยิ่งใหญ่ไปแบบนั้นถ้ามีสติก็เห็น มันเหนืออยู่มันเห็นเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์พอใจไม่พอใจถ้ามีสติเรื่คิดที่มันเป็นใหญ่เรื่โกรธเรื่องหลงที่มันเป็นใหญ่แม้ก็ไม่มีค่าเพราะเรามีสติเหมือนกับกําลังพลว่าความหลงไม่ถูกต้อง ความทุกข์ไม่ถูกต้องมีความผิดความถูกความเป็นธรรมามไม่เป็นธรรมอยู่แต่เราเห็ น, นมีสติให้ความเป็นธรรมมาแั้นก็เลยได้ไดผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกอยู่เชนนั้นจะบังคับให้ผิดมันเป็นไปไม่ได้ จะบังคับไม่สุขให้ทุกข์เป็นไปไม่ได้ความไม่สุขไม่ทุกข์มันมีอยู่แท้ๆจะทำไงจะให้เป็นสุขเป็นทุกข์บังคับข่มขืนมันก็ไปไหนท้อเป็นความเท็จความจริงหรืว่าปรามัทธสภาวธรรมปรมัทธสภาวธรรมคือจิตจิตจิต สิ่งที่เกิดกับจิตที่วัจเจตสิกจตทสิกนี่เกิดอะไรก็ได้เหมือนกับหองที่เขียนอยู่เฉยก็ไม่มีเสียงแต่ว่ามีคนไปตีมันก็เสียงดังขึ้นมาอันจิตที่มันคิดนี่มันมีอะไรที่ออกไปเป็นเสียงเป็นลดเป็นชาติเสียงค้องเป็นเสียงค้องเสียงกลองเป็นเสียงกลอง จิตก็เหมือนกันเกิดจากจิ ต, จตเป็นความลักคองช้างเป็นจิเละตัณหาได้อ น, นั้นต์เป็นเจตสิกไม่ใช่จิ ต, จตเนาะไปถือว่าตัวเราสุข ก, ก็เป็นตัวเราทุกข์เป็นตัวเราไปถือเอาเสียงนั้นว่าเป็นเสียงคองตัวคล้องจริงมันเหตุปัจจัยมันกลัวจะไปถึงสุขถึงทุกข์มันมีอะไรมีเหตุปัจจัยทําให้ลง มันจึงเกิดขึ้นมาด้วยเจตสิกมีสติเข้าไปมันหรือว่ารูปรูปมันีที่ตั้งมันสัมผัสได้เสียงก็เป็นรูปกินก็เป็นรูปรถก็เป็นรูปการสัมผัสก็เป็นรูปล้มก็เป็นรูปรูปนั่นมีที่จบคือนิพพานเป็นนิพพาน จิตใจรุนิเป็นภาษาประแบจิตเจตะจิกลูกนิพพานนั่นไม่ใช่ไปเลยมีเพื่อไม่มีเป็นเพื่อไม่เป็นหลงเพื่อไม่หลงถูกต้องที่สุดทุกเพือไม่ทุกถูกต้องที่สุดเป็นเช่นแน่นจริงจริงอย่าไปอย่าไปงูอยู่เสียเวลาอยู่ มันมีเพื่อไม่มีตึงเพื่อไม่ตึงโยนเพื่อไม่โยนไปเพื่อไม่ไปอยู่เพื่อไม่อยู่นันอยู่เหนือเหนือแต่ว่าที่ไม่เป็นอะไรมีสติในมันบริสุทธิ์ผิดไม่บริสุทธิ์ถูกไม่บริสุทธิ์สุขไม่บริสุทธิ์ทุกไม่บริสุทธิ์พอใจไม่พอใจไม่บริสุทธิ์ เบลอที่สุดคือไม่เป็นอะไรกับอะไราว่าเชนนี้แล้ ว, ว่านั่นมีเพื่อไม่มีมันจึงเป็นคนข้าของกิจเจตสิกลูกนิพพานนั่นี้เพื่อ น, นิพพานนั่นมีเพื่อไม่มีเราก็เห็นอยู่แล้ว ความโกรธเกิดขึ้นอยู่ข้างจี่หนมีไหมความทุกข์ที่มันมีที่มันเคยทุกข์มันมีไหมมันมันเพิ่มไม่มีเอมันมีเพิ่มไม่มีมันเป็นอย่างเช่นนั้นเราก็เสียเปรียบความโกรธความทุกข์ความอะไรต่างๆันนี้เห็นมันแล้วพี่สาวแล้วกันไปสิ้นทุบสิ้นชาติกันไปเสีอันภาวิเชีนนี้ ใช้เป็นใช้เป็นอีกมันก็แล้วไปแต่ชีวิตที่เป็นอิสระเป็นไปเช่นนั้นจริงๆทางชีวิตของเราบางที่เราเป็นทุกข์ควบคิดตัวเองบางทางที่นีเกิดขึ้นเลยก็ปทุกข์ยางทุกขอ์อยูน่นั้นแหละนั้น เห็นกงจักเป็นดอกบัวทุก็เป็นทุกข์ของเราเราเป็นทุกเอาตัวตนเป็นตัวทุกเอาตัวทุกเป็นตัวตนเอาตัวหลงเป็นตัวตนเอาตัวโกรธเป็นตัวตนเอาตัวพอใจไม่พอใจเป็นตัวเป็นต้นตัวตนตัวนี้นะมันมีอยู่ในขันห้า ที่เป็นด่านสุดท้ายตัวตนเนี่ยอันนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดต้องมีพลังสติมีพลังปัญญามีพลังศรัทธาได้สร้างขึ้นมาจากศรัทธา สร้างขึ้นมาจากความเพียรสร้างขึ้นมาจากสติสร้างขึ้นมาจากสมาธิปัญญาแล้วก็มีพลัดควาจัดกิเลส จ, จากละเอียดนี้ได้ตอนจุดท้ายก็มาโดยย่อ อ, อุปาทานขันตังห้าย่ อ, ยอลงมาหมดซะ มันก็ไม่มีมากมันก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเป็นตัวเป็นต้นอยู่ที่นี่นะแท้คือตัวหลงหแล้วว่าเราเจริญจตีก็พาตัวนี้ก็เปไปเลยนะไม่อ้อมแคมไม่อ้อมลอ่มไม่อ้อมแ้ ม, แ, มแบกไปเลยเห็น ก็เห็นเวทนานนะั้บุกไปเลยเห็นกิบบุกไปเลยเห็นทำบุกไปเลยทำก็มากมากทำเวทนาก็มากมากอลก็ยังชื่อเวทนามากขนาดไหนเขาเรียกว่าเวทนาทำรร ม, มากขนาดไหนก็เรียกว่าทำไม่เป็นอันอื่นไปแต่มันมากก็มีแต่เห็นมันมันก็สักแต่ว่านั่หละ มันจะมีค่าอะไรแล้วก็บึ้งไปสู่ขันธ์ห้าที่มันเป็นพบเป็นชาติปายเกิดเจเจ็บตายถ้าขันธ์ห้าไม่มีสิ้นพพสิ้นชาติตัว น, นี้เราก็ความเกดความเจ็บ ค, ค, ความตายก็ไม่มีมีแต่รูปมหาพุทรูปเป็นธรรมชาติเราได้ประโยชน์จากรูป ที่มันเป็นธรรมชาตินี้เป็นอุปกรณ์ทำให้เราได้อาศัยมาปึกหัดอาศัยรูปให้มีสติยกมือไปยกมือมาให้มีสติมันก็มีรูปจริงจริงมือฉันดคว่ำอยู่นี่ก็รูปจริงๆไม่ต้องถามใครยกมือตั้งไว้ก็รูปจริงๆไม่ต้องมีคําถามยกขึ้นก็รูปจริงๆเปป็นัจจัตริงเป็นปัจปปจุบันเป็นของสด มันหลงก็มาเห็นหลงจริงๆกับเปลี่ยนหลงเป็นลู่ได้จริงๆเนี่ยมันน่าจะขยันนะว่าจะเปลี่ยนหลงเป็นลู่ถ้าไม่หลงกับลู่ปอยอย่าไปหาในลาไดมันไม่ใช่ความรู้นั่นเปลี่ยนมันเป็นลู่มันไม่ยากเปลี่ยนเป็นลู่เปลี่ยนเป็นลู่ว่ามันมีอันอื่นก็เปลี่ยนเป็นลู่มีสุขก็เปลี่ยนเป็นลู่มีทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นลู่ มีผิดก็เปลี่ยนเป็นรูกมีถูกก็เปลี่ยนเป็นรูกมีสังคมก็เปลี่ยนเป็นรูกมีฟุ้งซ่านก็เปลี่ยนเป็นรูปมีรู้ก็เปลี่ยนเป็นรูกมีไม่รู้ก็เปลี่ยนเป็นรูกทางไปม่ไหมแหวกไปเลยแหวกไปเลยเหมือนเสงผ้าแลบจากยอดเมฆถึงถึงฐานของเมฆ แ่กลงมาจนถึงพื้นดินเรียกว่าฝอย้อแบกอย่างไวไม่เช่งอ่งแง่งอ่อแมแง่งอยู่ง่องแมแด้อยู่ถึงรูนะอะไรไม้ถึงรูทั้งหมดเรียกว่าอาจจะเป็นอุคติแตย่ยูบุคคล ได้ถ้าไม่ถึงรูปเป็นเนยยะปทะประมะยากอะไรก็ยากทําไม่ได้ทําไม่ไ ด, ไได้นต้องทาได้ความรูปถึงตัวหนึ่งทนะํทได้กับมือเราเจะเจอทุกคนก็มีกายมีรูปทุกคนก็มี นามมีใจมีบรรลุอะไรได้ความหล ง, ลงใครก็รู้ได้ความไม่หลงใครก็รู้ได้มีอยู่กับทุกคนเราต้องเอางานเอาการตรงนีงชี้ชี้ปนเนี่ยแค่ให้มันเป็นความรู้จึกตัวซะพวกเราก็สลับสนุนให้มีความรู้จักตัวแต่พูดจะคิดทางไหนช่วยกันไหน แบบหลายทางผู้พงกหารก็้พงกหารผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติถ้าเราเดินอยู่บนลงอาธานเห็นท่านเดินไปถึงเวลาจบฉันมันก็มีความสุขเวลาท่านฉันอิม่มเราก็มีความสุข ไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากง่ายส น, สนุนถ้าเกิดความสะดวกแก่ผู้ทําความดีมีน้ำใจอาจจะได้บระรุษทมเหมือนไว้หลางโกนผู้ปฏิบัติตามน้ำพริกหันผักใส่ใจอยู่เสมอผู้ปฏิบัติปนแต่คิดลัื่งอื่นผู้ คงอาหารกับชิดจะใ ห, ให้เราให้เราให้ได้ปฏิบัติมีน้ำใจจานำพิก็มีน้ำใจใจดีหันผักก็มีน้ำใ จ, ใ จ, กกำใจหงงข้าวมีน้ำใจรอนบ้างยกของหนักๆตั้งเตาตั้งอะไรต่างๆวางทีหม้อก็ดาดมือบ้างไปจับหมอเก็บไปก็ไม่เมื่อวานนี้เห็น <laughs> จับหัวหมอหัวมอเหอมือจกมันก็ตั้งไฟจบ้โอ้ยลกูกหัวเิ็ย์สนุกดีเหมือนกันนะทุกไฟมันหัวเลาะในทุกแบบหน้าบวดทุกหัวเลาะทุกชื่นใจทุกสับัติเป็นปัจจุบหน้าบวดปวดยากทุกสาหรับพวกหนทุกสนุก อ้นนุวยหลางผ่าพื้นสนุกดำข้าวสนุกเอาให้เป็นเรื่องสนุกไปหวัวรอดความทุกข์งูทำไมความทุกข์ติแต่ทำไมมาให้มันมาอยู่เป็นเจ้าของชีวิตลเลยสติตากระจุนกระโดดฉุดยออเลยเหมือนื่อมีศรัทธามีพลังแต่งก้าทละล่ไกลถึงมงกุฎ สุดยอดแห่งธรรม้วยกิดใจหัวใจก้นในใจเอ้ยทุกข์แล้วตั้งแต่นี้ต่อไปคําว่าทุกข์เนี่ยเลิกกันเถอวทุวกข์ที่เกิดจากความคิดทุกข์ที่เกิดจากกายจากใจเลิกรากันแล้วสุขที่เกิดจากกายจากใจเลิกลากันแล้วไม่เอาสุขอย่างนี้ ไม่อาศัยอันนี้หมายเป็นสุขใหมันเนื้อนี่ไปถ้าไม่ฉชนั้นมันไม่แล้วไม่เสร็จนาะนทีทวันนะมีกำลังใจมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิใส่ใจอยู่เสมอการใส่ใจไม่ใช่โหมนะเป็นความอ่อนโยนดีดีการใส่ใจเนี่ยเป็นความอ่อนโยนสุขคุมโลภค้อ ไม่ใช่โง่บางทีไม่ขีเดินไม่หยุดเลยวันที่เคลียรหลับนะให้พอดีพอดีใส่ใจนอนอยู่ก็ใส่ใจนั่งอยู่ก็ใส่ใจยืนอยู่ก็ใส่ใจความใส่ใจไม่มีเลยบทเป็นความตั้งใจไปชอบเรียกว่าสมมาทิฏฐิน่าจะเป็น เรื่องกายกับที่อมยิบไม่เสมอจากกับหัวโล่ไงหัวโล่ผิดหัวโล่หัวโล่ความผิดหัวโล่ควมทุกข์หัวโล่ควาโกรธลองดูสิมันจะมันจะเสะดวก่าอย้า้เป็นคนละแบบหัวโล่มันทุกอย่างเหมือนกับวิปัสสนาถึงบางโ อ, อ้ทุกอย่างสุข รู้ก็รู้ก็ออไม่รู้ก็เราไมนมีนะมันจะลึกซึ้งมามันรู้ทำได้ไวได้ง่ายไม่เอาเป็นยากเป็นง่ายเอาเป็นอืมเข้าใจเสมออันเดียวกันหมดเป็นอันเดียวกันหมดสุขทุกข์อือคือรู้ไปเลยไม่ใช่เป็นคนละอย่างไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบเงือปวกเหลือต๋ารบลมไม่มี การอารมณ์ที่มีบวกเป็นลูกพอใจไม่พอใจเป็นลดของลูกเนื้อลูกคืออื้งไม่มีค่าสําหรับเรามีสติให้ช่วยสติให้ช่วยสิ่งไวทลอมาช่วยสตินะจิตใจก็ให้ช่วยสติเกิดไหลขึ้นก็ช่วยสติศรัทธาให้ช่วยสติความเพียรช่วยสติปัญญาช่วยสติสมาธิช่วยสติเห็นสิเวทล้อมให้สติ ให้งอกอเดี๋ยวให้สรัทธาเกิดแท้เอายากก็ง่ายต่อลงกันสี่สิบวันจะได้ไหมนี่เท่านี้ก็จะไปไม่โลดแล้วมันใช่อย่างนั้นไม่มีคําว่าสี่สิบวันมันมีวินาทีเท่านั้นชีวิตของเรามันใช่สี่สิบวันห้าสิบวันมันมีวินาทีมีหายเสียเข้าหายจบมีรูป ม, มีลงเท่านี้น้อยๆเท่าไห้ชีวิตเรา ไม่เอากำหนดวันเดือนปีเราเพรู้จักตัวเป็นชีวิตไปเลยนี่คือชีวิตเธอเดือนปีไม่มีปะระโยชน์รลยถ้าเราไม่มีหลักตัวไม่เรานี่แต่มันกินเรามันกินเราวันนี้บอกืออ้นไปแล้วถ้าเราไม่รู้จักตัวถ้าเรารู้จักตัวกินเวลาทั้งหมดเลยจะเลืนขึ้นมาได้ชีวิตก็งามขึ้นมานะ เป็นประดับจริงๆนะปฏิบัติธรรมนะมีจริงๆจิตเจตสิกรูปในพานมีจริงๆมีจิตมีจิตมีใจมีรูปมีนิพพานมีทุกข์มีไม่ทุกข์มีโกรธมีไม่โกรธมีหลงมีไม่หลงมีเกิดมีไม่เกิดมีเจียมีไม่เจียมีเจ็บมีไม่เจ็บมีตายมีไม่ตายจบหมดเลยจบจริงๆนะแผ่นดินสุดไม่มีจะก้าวเลยตรงที่รู่ะจบแค่นั้น รู้เราก็จบแล้วไม่ใช่ไปรายะเอียดอะไรรู้หน่อยนะจบแล้วจบแล้วรู้จบรู้ที่ความจบที่ความรู้ผิดถูกจบที่ความรู้สุขทุกข์จบที่ความรูทมททม้ทางอยู่เช่ น, นให้ไปถึงพระบารมีรู้สึกตัวผู้ที่ผู้ที่ปฏิบัติถึงความรู้จึกตัวใช่หรืแล้วอย่าไปผิดแล้วถูกนะให้ถูกเป็นถูกให้ผิดเป็นผิดไม่จบอยู่ที่รู้ถึกตัวนั่นก็ยัง เป็นอนุบาลอยู่นะอ่าสมควรใช้เวลาบพระป้ อ, อ, อมกัน